ภาวนาสิ่งแวดล้อมอยังมีอิทธิพลกับเราได้ไหมยอย่างอากาศชวนง่วงอะไรเงี้ยยังมีเหรอ <c oughs> เวลาน่วงนอนเวลาหิวมงุดหงิดง่ายไหมยัยงเป็นอีกเหรอ <c oughs> ใจไม่เป็นกลาง ใ, ใจเป็นกลางนะสภาวะอะไรก็ได้สภาวะทั้งหลายนะเท่าเทียมกันหมดเลย สุขทุกข์ดีชั่วนะจะมืดจะสว่างจะหนักจะเบาจุดสำคัญว่าสภาวะใดเกิดขึ้นอันแรกเลยรู้ไหมว่ามีสภาวะเกิดขึ้นอันที่สองเป็นกลางต่อสภาวะไหมอย่างตอนนี้พวกเรารู้แล้วว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมอย่างใจเราเบาเราก็รู้ใจหนักเราก็รู้ใจสุขใจทุกข์ใจดีใจชั่ว เราก็เห็นสภาวะนี่เรารู้สภาวะแล้วก็เหลืออันเดียวนะรู้อย่างเป็นกลางเห็นไหมง่ายนิดเดียวมีธรรมะอยู่หมวดหนึ่งนะเหมือนธรรมะที่วิเศษมากเลยน่าฟังมากชื่อวิสุท ธ, ธิวิสุท ธ, ธิมีเจ็ดข้อใครเคยได้ยินเคยอ่านไมเคยอ่านรัฐวินีตัดสูตรบ้างไหม เปสุตที่พระปุณณะมันตนีบุตรคุยกับพระสารีบุตรใครเคยอ่านอันนี้มีไหมได้มีคนเดียวหรอือเสองคนเองน่าสงสารไปหาอ่านเอาก็รับกัน <c oughs> เอาเล่าหน่อยก็ได้ <c oughs> คือมีพวกพระจากกระบิลพัฒนะ์ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ถามว่าแถวกระบิลพัฒน์ท่าเลขชาติภูมิ คือที่เกิดของท่านในถิ่นเกิดของท่านเนี่ยมีพระองค์ใดสอนเรื่องมักน้อยเรื่องสันโดษเรื่องไม่คลุกคลีเรื่องปา ร, รบความเพียรเรื่องการรักษาศีลการทําสมาธิการเจริญปัญญาการวรลุวิมุติมรรคผลเรื่องยานวิมุตยานทัศนะเกิดความรู้แจ้งในอริยสัจเม่มีพระองค์ไหนสอน เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้บ้างไหมที่เด่นๆว่ามีองค์หนึ่งชื่อพระปุณณมันตานีบุตรปุณณมันตดิบุตรเนี่ยเป็นคนที่สอนพระอานนท์ให้ได้พระโสดาบันนะไม่ไม่ใช่พระธรรมดาองค์นี้ยเก่งพรพุทธเจ้าได้ยินว่าพระปุณณมันตานีบุตรสอนเรื่องมรกน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปราลกความเพียรนะมีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตยานทศนะ ท่านก็ยกย่องบอกว่าโอ้พระอย่างนี้ดียกย่องพระสาริบุตรนั่งฟังอยู่ด้วยก็เลยนึกในใจว่าถ้าได้เจอก็จะเป็นวาสนานะอะเป็นเรื่องดีที่จะได้เจอพระที่พระพุทธเจ้าสารเสริญอย่างนี้พระสาริบุตรรู้ลูกศิษย์ท่านเยอะวันไหนท่านไม่ได้มาเฝ้าพุทธเจ้าท่านก็สั่งลูกศิษย์ไว้ให้คอยไปดูนะ ถ้าได้ยินว่าพระปุณณะมันตานิบุตรมาเมื่อไหร่นะให้ไปบอกท่านนะวันหนึ่งพระปุณณะมันตานิบุตรมาเฝ้าพระพุทธเจ้าจริงๆพระลูกศิษย์ทศสาริบุตรก็รีบไปบอกสาริบุตรก็ไม่บุ่บบามเข้าไปนะท่านกําลังคุยอยู่กับพระพุทธเจ้าก็รอพอพระปุณณะมันตนิบุตรสนทนาธรรมกับพระเจ้าเสร็จแล้วออกมาไปพัก พระานะมีการพักกลางวันในป่าไม่ได้เป็นนอนนะเขาเรียกที่วาวิหารพักตอนกลางวันตอนบ่ายๆอนะไรย่างี้ท่านก็เดินถือเสือไปพระปุณณนาะมันตะมีอมุบุตรท้ายริบุตรก็แบกเสือตามหลังไปนะต่างคนต่างตามไม่เข้าไปชิดด้วยมารยาทท่านดีท่านให้พักกันให้เต็มที่นะท่านต่างคนต่างก็นั่งสมาธิพอตกเย็นทนระายริบุตรก็เข้าไปหา ไปถามพระปุณณมันตนิบุตรว่าที่ท่านปฏิบัติรรมเนี่ยเพื่อความบริสุทธิ์ของศีลหรือท่านบอกไม่ใช่เพื่อความบริสุสทธิ์อของจิตหรือเพื่อจิตวิสุทธิ์หรือไม่ใช่ะเพื่อทิฏฐิวิสุทธิ์ความเห็นบริสุทธิ์หรือเปล่าบอไม่ใช่เพื่อกังขาวิตรณวิสุทธิ์เพื่อจะข้ามพ้นความสงสัยใช่ไหมบอกไม่ใช่ะ เพื่อมรคคามรคย า, าณทัศนวิสุทธิ์เพื่อจะรู้ว่าอันนี้เป็นทางอันนี้ไม่ใช่ทางหรือเปล่าที่ภาวนาเนี่ยบอกไม่ใช่เพื่อปฏิปทาญ า, าณทัศนวิสุทธ์หรือเปล่า <c oughs> เพื่อจะได้ปฏิบัติทำเก่งๆปฏิบัติได้ถูกหรือเปล่าไม่ใช่ถามไปถามมาแล้วบอกเพื่อญ า, าณทัศนวิสุทธ์หรือเปล่าก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อจะรู้กระทั่งอริยสัจนะ บอกแล้วถ้าเช่นนั้นท่านมาบวชท่านมาภาวนานี่เพื่ออะไรบอกเพื่ออนุปาที่เสส น, นิพนานอนุปาทาปรินิพานเพื่อจะให้บรรลุ ถ, ถึงพระนิพานนะที่ไม่มีความยึดถืออะไรเลยเนี่ยท่านตอบเก่งนะคนถามก็ถามเก่งถามมาเป็นลําดับลําดับลําดับคนตอบก็าตอบมาเป็นลําดับไม่เอาสักอย่างนะ ศีลก็ไม่ใช่สมาธิก็ไม่ใช่จิตวิสุทธิ์ก็คือสมาธินะทิฏฐิวิสุทธิ์ความเห็นบริสุทธิ์กังขาวิตรนาวิสุทธนะิ์นั้นก็ไม่สงสัยข้ามพ้นความสงสัยเกี่ยวกับรูปนามได้ว่ารูปนามทั้งหลายเนี่ยต้องมีเหตุถึงจะเกิดถ้าไม่มีเหตุไม่เกิดรู้ว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางคนที่รู้ว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางเนะี่ยก็ข้ามมิปัสนุปกิเลสได้ แล้วก็เดินปฏิปทายานทัศนวิสุทธิ์ก็คือเจริญวิปัสสนากรรมฐานในสุดได้ยานทัศนวิสุทธิ์เห็นแจ้งอริยสัจเเจ็ดอันท่านบอกไม่ใช่สักอันเดียวพระสารีบุตรก็ถามทั้างั้นท่านปฏิบัติเนี่ยเพื่อนอกเหนือจากเจ็ดอันนี้หรือเปล่าเขาบอกไม่ใช่นะแล้วเพื่ออะไรเพื่อนิพพานเ่าถามแล้นิพพานเนี่ยไม่เกี่ยวกับเจ็ดข้อนี้หรอไม่เกี่ยวกับวิสุทธิ์ที่หรือบอกไม่ใช่อีก บอกเอ๊ท่านพูดอะไรถามอะไรก็ตอบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ความจริงภาษาลิบุตรก็หยิมในใจแล้วนะมาเจอนักปร่าตัวจริงแล้วตอบถูกทุกข้อเลยที่ท่านแกล้งถามตอบถูกทุกอย่างท่านก็แกล้งถามอีกนะไอ้นนท์ก็ไม่ใช่ไอ้นี่ก็ไม่ใช่ะแล้วก็มรรคผลนิพพานอยู่พ้นจากมิสุทธิเจตหรอไม่ใช่อีกบอกห้อธิบายหน่อยสิอะไรก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ใช่ฟังไม่รู้เรื่อง พระปุณณ์มันตณีบุตรก็บอกว่าเหมือนกับการที่พระเจ้าประสเสนที่โกศลเขาจะเดินทางจากเมืองสาวัตถีไปเมืองสาเกตเมืองนี้เป็นเมืองคล้ายๆเมืองใหญ่อีกเมืองนึ่งเป็นเมืองทางธุรกิจเส้นทางเดินนี่ไกลการเดินทางเนี่ไกลนั่งรถม้าเที่ยวเดียวเนี่ยไม่ถึงม้ามันวิ่งไม่ไหวบอกพ ร, พระเจ้าประสเสนที่โกศล น, นะแกมีรถม้าหยุด มีสถานีอยู่เจ็ดแห่งเจ็ดนะสถานีเลยแกนั่งรถม้าเนะี่วิ่งเต็มที่เลยนะไปถึงสถานีที่หนึ่งลงเปลี่ยนรถไปที่สองเปลี่ยนรถไปเรื่อยเปลี่ยนรถเปลี่ยนม้าไปเรื่อยนะไปถึงสถานีที่เจ็ดบอกการที่พระเจ้าโกศเนี่ยไปถึงเมืองสาเกตได้นะไปด้วยรถคันที่หนึ่งหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมไปด้วยรถคันที่สองหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะแล้วรถทั้งเจ็ดคันนะ่ะคือเมืองสาเกตรหรือเปล่า ก็ไม่ใช่อีกเนี่ยท่านตอบกันอย่างนี้นะ่านตอบแบบนักปราชตอบกันจริงๆเลยเพราะงะั้นบรรดาวิสุธทธิทั้งหลายเนี่ยคือทางดำเนินของจิตนะเพื่อจะไปสู่พระนิพพานนั่นเองนะถ้าไม่มีวิสุธทธิทั้งเจนี้ก็ไปถึงนิพพานไม่ได้แต่ตัววิสุธทธิคือทางดาเนิ น, นไม่ใช่ปลายทางนะนี่พระสารีบุตรก็ชมโอ้ตอบได้ดีจริงๆนะเป็นบุญเหลือเกิน ที่ได้ฟังคําตอบแบบนี้พรบบนะปุณณปันตันติบุตรก็ชมภาษาลิบุตรว่าเป็นบุญเหลือเกินที่ได้ยินคําถามแบบนีนะ้คนที่ถามแบบนี้ได้ต้องนักปานะ่านญะเนี่ยท่านชมซึ่งกันและกันชมกันธรรมะนะคุยกันธรรมะนะธรรมะล้วนๆเลยพระสนธนาทำลงกันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนภะาษาลิบุตรก็ถามว่าท่านเชื่ออะไรเป็นการคอนเฟิร์ม บอกชื่อปุณณะมันตนิบุตรถ้าปุณณะมันตานิบุตรก็ถามแล้วท่านชื่ออะไรบอกชื่อสารีบุตรท่านปุณณะมันตานิบุตรบอกโอ้ผมมาหลงคุยนะกับผู้ที่รู้อริยสัจเสมอกับพระสัสดาผู้ที่แสดงอริยสัจได้เสมอกับพระสัจสดานะถ้ารู้ว่าเป็นพระสารีบุตรนะจะไม่คุยด้วยเห็นไหมท่านฉลาดไหมพระสารีบุตรเนอะ งั้นวิสุทธิเจ็ดเนี่ยนะเป็นธรรมะที่สําคัญมากเลยถ้าเราเข้าใจเราจะมีกําลังใจในการปฏิบัตินะพวกเรามีศีลไหมนะตั้งใจรักษาศีลอยู่หรือเปล่าถ้ามีเราก็มีศีลวิสุทธินะพวกเราได้ฝึกจิตให้อยู่กับเนื้อกับตัวไหมมีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวบ้างไหมมีใช่ไหมเรามีวิสุทธนะ์ตัวที่สองแล้วนะวิสุทธิตัวที่สองนะจิตตวิสุทธ พวกเราเห็นไหมว่าสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยจริงๆประกอบด้วยรูปธรรมกับนามธรรมามันคือรูปกับนามแยกรูปแยกนามเป็นบ้างไหมแนะยกรูปแยกนามเป็นนะเรียกว่าได้ทิฐิวิสุทธ์แล้วได้ทิฐิวิสุทธ์แล้วมีไหมพวกเราได้ที่ตัว ท, ท, ท, ที่สามยังแยกรูปแยกนามแล้ว เ, เห็นไหมว่าทุกอย่างมันอยู่ๆไม่ได้เกิดมาเองนะมันมีเหตุทั้งหมดเลย อย่างความโกรธจะเกิดได้ความโกรธก็ต้องมีเหตุใช่ไหมเราต้องกระทบอารมณ์กระทบอารมณ์ที่ไม่ดีกระทบแล้วเกิดทุกขเวทนากระทบแล้วไม่ถูกอกถูกใจเรามีอนุสัยที่ขี้โมโหอยู่ก่อนเพอกระทบอารมณ์ไม่ดีปุ๊บความโกรธถึงจะเกิดสติก็ต้องมีเหตุถึงจะเกิดนึกออกไหมเราต้องจาําสภาวะได้แม่นสติถึงจะเกิดสมาธิก็มีเหตุถึงจะเกิดจิตใจต้องสงบสุขอยู่ในอารมณ์มันเดียวถึงจะมีสมาธิขึ้นมา ปัญญาก็ต้องมีเหตุให้เกิดใช่ไหมคืออะไรจิตต้องตั้งมั่นมีสมาธินั่นเองนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะทั้งกุศลทั้งอกุศลล้นแตเกิดจากเหตุเท่านั้นพวกเราพอเห็นบ้างไหมเห็นไหมมันมันโยงกันมาเป็นลูกโซ่เลยใช่ไหมในใจเราเนี่ยมันปรุงต่อกันเป็นทอดๆดนี่แหละเราข้ามพ้นความสงสัยได้เรียกว่ากังขาวิตรนะวิสุทธ์เราข้ามความสงสัยได้คือรู้เลยสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุนะไม่มีเหตุไม่เกิดหรอก อย่างนี้เรื่องว่าไม่สงสัยแล้วไม่สงสัยในรูปธรรมนามธรรม ท, ทั้งหลายว่าจริงๆแล้วมันมีเหตุมันก็เกิดไม่มีเหตุมันไม่เกิดนะถ้ามันเกิดมาแล้วเหตุมันดับตัวมันก็ดับจะเห็นอย่างนีนะ้แล้วพวกเรารู้อย่างอย่างภาวนาไปแล้วบงทีจิตสว่างว่างเป็นนิ่งว่างอยู่ข้างนอกดูออกไหมตัวนั้นเป็นวิปัสสนูนะนะ ถ้าเรารู้ฐานจิตกลับมาตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวเรารู้แล้วว่าทางที่จะดําเนินต่อไปเนี่ยจิตต้องถึงฐานใครรู้จักจิตถึงฐานบ้างยกเมื่อสียกยกยกยกสูงสูงอ๋อเนี่ยพวกจิตถึงฐานมีเยอะพวกไม่ยกก็ถึงฐานเหมือนกันแต่เหนี่ยมเนียมก็มีอีกนะบางพวกก็หลังเลใจยกแล้วเดี๋ยวหลวงพ่อจวกเอาว่าไม่ถึงจริงเสียหน้า ตรงที่รู้ว่าจิตต้องตั้งมั่นถึงฐานเนี่ยนะรู้ว่าทางดำเนินอยู่ตรงไหนรู้ว่าถ้าจิตส่งออกไปฟุ้งซ่านออกไปในอารมณ์10ประการมีความสว่างว่างเป็นที่หนึ่งบางทีก็เจริญสติกล้าแข็งไปบางทีปัญญารำหน้าไปนี่พวกมิปัสนูทั้งหมดเลยมิปัสนูไม่ใช่ทางนะจิตที่ตั้งมั่นแนละ้วรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเป็นทาง ถ้าถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยจะได้วิสุทธิ์ที่อีกตัวหนึ่งชื่อ ม, าา ม, าามาากักขมคยานทัศนวิสุทธิมักขาคือมักกับอมักมักกับอมักพามาส่วนที่กันมารวมกันเลยเรียกมักขามคก า, า, ายานทัศนวิสุทธิพวกเราตอนนี้มาถึงตัวนี้ก็เยอะแล้วนะมักขามค า, ายานทัศนวิสุทธิพวกเราเริ่มเห็นไหมว่ามันมีสภาวะที่เกิดดับทั้งในทางกายทั้งในทางใจ บางคนเห็นชัดที่ร่างกายเห็นร่างกายเกิดดับนะบางคนเห็นชัดที่จิตใจเห็นความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเกิดดับไปเรื่อยๆอันนี้เห็นไหมนี่เรากำลังเดินอยู่ในปฏิปทาญาณนะทัศนะวิสุทธ์เดินอยู่ในตัวที่หกนะเหลืออีกนิดเดียวเองเหลืออีกนิดเดียวนะในเจ็ดตัวนี้เราเดินมาหกตัวล้ะตอนนี้พวกเราจานวนมากเลยเดินมาถึงตัวที่หกนะคือเราเดินวิปัสสนาแท้ๆแล้ว เราเห็นสภาวะของรูปธรรมนามาทมนะไม่ใช่ตัวเราด้วยนะมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้มีแต่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับนะใครดูดูไปแล้วใครรู้สึกเห็นแต่ดับบ้างดูอะไรลงไปก็ดับให้ดูดับให้ ด, ใหดูใครเห็นไหมตัวนี้โนมียกมืออยู่คนหนึ่งยกพัด่ะกี่ขวบโน้สามสี่ขวบวะ <c ười> <c ười> ใครดูแล้วรู้สึกว่ามันน่า ก, กลัวบ้าง สภาวะทั้งหลายโลกนี้น่ากลัวเห็นไหม mm hmm. ใครดูแล้วรู้สึกน่าเบื่อบ้างถ้าเห็นว่ามันไม่มีสาระแก่นสารเรยอาธินวญาณ น, น่ากลัวเนี่ยเรียกว่าพะยาตุปัฏฐานญาณถ้าเห็นแล้วน่าเบื่อเนี่ยเรียกว่านิพถยานเนี่ยอยู่เดินอยู่เนี่ยจิตพัฒนาไปเรื่อยนะในสุดจิตเป็นกลางเบื่อขึ้นมาก็รู้ทันนะ ในสุดความเบื่อดับไปจิตเป็นกลางรู้สภาวะไปอย่างเป็นกลางนี่แหละเราเดินอยู่ในปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธ์นะเลยอีกนิดเดียวเองอีกขั้นเดียวเราก็จะเห็นอริยสัจแล้วนะถ้าเห็นอริยสัจเมื่อไหร่นะเราก็ไม่ได้ไปยึดถือความรู้ในอริยสัจนะจิตจะวางแล้วก็เข้าถึงพนานิพนธ์นั้นในวิสุทธิ์ที่7เนี่ยเป็นธรรมะที่น่าเรียนนะเรียนแล้วได้กําลังใจดีนะเดี๋ยวราได้กําลังใจอู้ผ่านมาแล้วหนึ่งสองสมสี่ งาได้หกตัวและวหรืออีกตัวเดียวตัวเดียวอีกเจ็ดชาติ <laughs> อาจจะอีกเจ็ดชาติได้อีกตัวอย่างน้อยนะงานได้สามสี่ตัวก็ดีแล้วนะไม่ได้อะไรเลยมีศีลไว้ก็ได้ตัวหนึ่งแลนะได้ขึ้นรถคันแรกแล้เงั้ น, นตอนนี้เราส่วนใหญ่นะพวกเราอะ่ะก็ขึ้นรถคันที่ห้าคันที่หกขึ้นรถคันที่ห้าคันที่หกแล้ว เหลืออีกนิดเดียวเลออสองคันสามคันอย่างมากงั้นอยา่อยาขี้เกียจ น, นะพักเพียรมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางดูไปด้วยงั้นพวกเราค่อยฝึกนะขั้นแรกรักษาศีลไว้เลือกได้ศีลวิสุทธ์ต่อมาก็มาฝึกจิตให้ตั้งมั่นให้อยู่กับเนื้อกับตัวนะเรียกว่าจิตวิสุทธ เห็นมดูจิตดูจิตจะได้สมาธินะาจากนั้นก็มาดูสภาวะทั้งหลายสภาวะทั้งหลายเนี่ยไม่ได้ลอยๆมานะมันสืบเนื่องกันมาต่อเนื่องกันมาเกิดมาเป็นลูกโซ่เลยเช่นเราขับรถอยู่ตามองเห็นคนมาปาดหน้าตามองเห็นคนมาปาดหน้าใจมันคิดใช่ไหมต้องคิดไม่ดีใจมันคิดไม่ดีใจก็โกรธเห็นไหมความโกรธก็มีเหตุเห็นไหม มาจากคิดไม่ดีทําไมคิดไม่ดีเพราะมันถูกกระตุ้นมันมีผัสสะไปมองเห็นเข้าพนะอความโกรธเกิดขึ้นสติะระลึกได้นะสติะระลึกได้เพราะจิตจําสภาวะของความโกรธแม่นนะสติก็มีเหตุให้เกิดนะพอสติะระลึกได้นะจิตจะไหลไปตามความโกรธรู้ทันปับ๊บจิตตั้งมั่นมีสมาธิขึ้นมาก็าจะเห็นเลยความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็ดับวับไปนะพอจิตมีสมาธิจิตก็มีปัญญา จิตตั้งมั่นขึ้นมาก็จะเห็นเลยสภาวะของความโกรธไหลามาแล้วก็ไหลไปดับวับไปต่อหน้าต่อตานี่เดินปัญญาอยู่เห็นไหมว่าสภาวะทั้งหลายเนี่ยไม่ได้เกิดลอยๆตัวเดียวแต่เกิดต่อกันเป็นลูกโซ่อย่างเรานั่งอยู่สบายๆในบ้านเรานะกำลังนั่งอย่างสบายฟังเพลงอะไรอย่เงี้ยอยู่ๆหน้าของคนคนนึงโผล่ขึ้นมาเคยมีไหมนั่งๆอยู่ดีๆหน้าของคนคนนี้โผล่ขึ้นมามันโผล่มาได้ยังไง อาศัยสัญญาสัญญามันจำขึ้นมาสัญญามันจะทำงานสัญญาเป็นอนัตตานะมันจำได้เองบางทีอยากจำมันไม่จำเคยเป็นมไหมโดยเฉพาะเรื่องควรจำจะไม่จำเรื่องไม่ควรจำจะจำแม่นเรื่องที่ควรจำมากที่สุดเลยก็คือความทุกข์ในชีวิตเรานะเราชอบลืมเราชอบจำแต่ความสุขมีความสุขตรงนั้นตรงนี้แล้วก็โหยหาคิดถึงแต่ความสุข กิดความทุกข์ในชีวิตผ่านไปแล้วทํำไม่รู้ไม่ชี้รีบรบรืมลืมไปมันทําให้หลงโลกนะเนี่ยของควรจํามันไม่จํามันบังคับไม่ได้นี่พอสัญญามันฝุดขึ้นมาใจก็คิดต่ออย่างหน้าของคนคนนี้โผล่ขึ้นมาใจมันคิดต่อเลย้คนนี้เมื่อสิบปีก่อนนะเคยโกงแชร์เราครั้งหนึ่งนี่ตั้งสิบปีแล้วยังจําได้เลยนะยังถูกโกงไม่เลิกเลยะ uh huh. เคยไม่ถูกคนด่า พวกเรามีมัางไหมถูกคนดา่าเขาด่ามาสิปีแล้วพอสัญญาเกิดใหม่นะเจ็บใจใหม่รู้สึกไหมเนี่ยเกิดสังขารปลุงต่อะเนี่ยมันทุกอย่างนะมันจะเกี่ยวกันมาอย่างเงี้ยมีเหตุมีผลต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆดงั้นสภาวะทั้งหลายเนี่ยมีเหตุให้เกิดทั้งนั้นนะไม่เกิดมาลอยๆหรอกนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากำลังเจออยู่ตอนเนี้ยก็มีเหตุให้เกิดยุติธรรมที่สุดแล้วเนี่ยเราเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยนะ ไปเราก็จะเห็นเลยมันมีแต่รูปธรรมกับ น, นามธรรมานะมีแต่รูปธรรมนามธรรมารูปธรรมนามธรรมา ท, ทั้งหลายเนี่ยมีเหตุมันก็เกิดถัดจากนั้นเราก็ดูไปสภาวะทั้งหลายเกิดได้ก็ดับได้สภาวะทั้งหลายเกิดได้ก็ดับได้เป็นสภาวะทั้งหลายมีแต่ของชั่วคราวเนี่ยเราเดินวิปัสสนาละนะตอนที่เดินวิปัสสนาแท้ตอนแรกๆมันยังไม่ไม่มีกําลังพอ เดินวิปัสสนาได้นิดเดียวนะจิตไม่มีสมาธิพอนะจิตจะเคลื่อนอย่างเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นในใจพอเราไปดูมันนะบางทีมนันหนีออกไปข้างนอกทีมหนีเข้าไปข้างในใครเคยเห็นกิเลสห น, นีเข้าข้างในบ้างมีไหมไหลไหลๆหลึกไปหลวงพ่อเคยลงไล่ตามไปนะตามไปกล่าววันนี้เอาให้แตกหักแล้วว่ามึงมาจากไหนก็จะตามดูมาให้ถึงที่สุดเลื่อนไล่ไล่ไล่ลงไปนะดูอยู่ตั้งหลายวันนะไม่เจอไม่เจอต้นต่อ หาลงไปหาลงไปหางไปหายวับไปเฉยเฉยอ้าวหายไปแล้วเอาใหม่ทําไม่รู้ไม่ชี้นะเหย่า ก, กิเลสโผขึ้นใหม่ดูอีกดูลึกๆนีล้ ล, ล, ล, ลงไปอีกเอ๊ะมันหายลงไปข้างในนี่เองนะไปกวานข้างในนะที่ยวกวานเที่ยวคนกวาวอยู่ข้างในหาไม่เจอไม่รู้อยู่ที่ไหนไปเจอหลวงปู่สิมนะไม่ทันถามท่านเลยท่านเห็นหน้านะผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้ออกมาข้างนอก พู้รู้ออกมาข้างนอกหลงเข้าไปข้างในใช้ไม่ได้บางทีหลงไปข้างนอกลงไปว่างไปสว่างอยู่ข้างนอกหรือนะหลงเข้ามาคนกวาดอยู่ข้างในนี่วิปัสสนูทางนั้นเลยจิตไม่ถึงฐานจิตเคลื่อนเข้าข้างในจิตเคลื่อนไปข้างนอกนะจิตไม่ถึงฐานพอเรารู้ทันว่าจิตถล่มเข้าไปข้างในจิตไหลออกข้างนอกให้จิตตั้งมั่นขึ้นมันวิปัสสนูตัวนั้นก็หายนะนะถ้าวิปัสสนูดับได้นะ เราจะรู้เลยว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางสิ่งที่เป็นทางก็คือรู้ตัวอยู่น e ี่แหละรู้ตัวทั่วพร้อมดูสภาวะมันทํางานสิ่งที่ไม่ใช่ทางก็คือ ส, ส่งจิตออกนอกไปดูส่งจิตเข้าข้างในไปดูถ้าจิตเคลื่อนไปดูจิตไม่ตั้งมั่นในการดูไม่ใช่ทางนะเป็นวิปัสสุนฺจิตออกนอกไปดูก็ไม่ใช่ทางเป็นวิปัสสุนฺถ้ารู้ทันว่าจิตออกนอกรู้ทันว่าจิตเข้าข้างในจิตจะตั้งมั่นนี่ทางอยู่ตรงที่จิตตั้งมั่นถึงฐานนี่แหละ เวลาส่งการบ้านสังเกตไหมหลวงพ่อชอบพูดเรื่องคําว่าจิตถึงฐานมันใช่ไหมถ้าจิตไม่ถึงฐานนะั้นเดี๋ยววิปัสสนูเอาไปกินหมดเลยนะนั้นถ้าจิตถึงฐานนี้ก็พ้นวิปัสสนูได้แล้วก็ผ่านมาาัคคามัคคายานัทสนวิสุทธ์ได้นะแต่วิปัสสนู ม, มีตั้งสิบตัวนะหลอกหน้าหลอกหลังหลอกสารพัดเลยใครเคยลืมตาขึ้นดูอากาศข้างหน้าแล้วเห็นเป็นเม็ดเม็เม็ดเม็ดไหมเห็นไหม ใครเคยรู้สึกในร่างกายคมกลิบเลยรู้สึกแบบเห็นชัดชัดมากๆเลยนะเห็นชัดเนี่ยผิดปกติเลยอย่าง น, นี้เราสติแรงไปก็วิปัสสนูนะนาะนะนะนะชนิดเลยบางทีก็ปัญญาล่ำหน้าไปนี่ก็วิปัสสนูที่สมาธิล่ำหน้าภาวนาแล้วก็ว่างว่างว่างเองก็ว่างลูกเดียวนั่นก็วิปัสสนูไปกินละ ก็จิตมันไม่ถึงฐานจิตถึงฐานมัหลุดหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าจิตถึงฐานนะก็ผ่านตัวมรคขามรค า, ายานทัศนวิสุทธจันาร์นั้นเจริญวิปัสนาแท้ๆได้แล้วเรียกว่าปฏิปทายานทัศนวิสุทธเดินปฏิปทาอยู่นะพวกเราตอนนี้จํานวนมากที่เดินมาถึงจุดนี้แนละ้วอีกส่วนหนึ่งก็กำลังไต่เต้าอยู่แถวมรคค า, ามรค า, ายานทัศนะยังโดนวิปัสณูหลอกอยู่ คนไหนภาวนาแล้วจิตไปติดว่างสว่างอยู่ข้างหน้าบ้างตอนนี้ผ่านตัวนี้ได้ยังใครเคยเจอไปว่างสว่างอยู่ข้างหน้านั่แหละตัววิปัสสนูนะพอรู้ทันนะจิตเข้าถึงฐานหายเลยนะเนี่ยเราก็ผ่านไปอีกชั้นหนึ่งเหลืออันเดียวเหลืออันเดียวนะเหลือยานทัศนวิสุทธ์เหลือแจ้งอริยสัจเนะนี่ยท่านสอนมีสุทธินั้นน่าฟังนะ <c oughs> น่าฟัง ฟังแล้วมีกำลังใจอู้เจ็ดข้อเรามาได้หกแล้วแต่มีธรรมะอยีกหมวดหนึ่งนะฟังแล้วไม่ค่อยมีกำลังใจโสรถยานตั้งสิบหกอันนะอันแรกๆยังไม่ก็จะผ่านเลยฟังแล้วความจริงโสรถยานนะแจงแจกแจงลงไปได้ในวิสุทธิเจ็ดนะอยู่ในวิสุทธิเจ็ดงั้นไม่ยากนะไม่ยากเกินไปพวกเราหัดรู้สึกตัว ตรงที่เราหัดรู้สึกตัวนี้เรียกมีจิตวิสุทธ์นะมีจิตตั้งมั่นผิดเป็นผู้รู้ผู้ดูยมรู้สึกตัวรักษาสีนไว้แล้วหัดรู้สึกตัวก็รู้สึกตัวแล้วหัดแยกรูปแยกนามนี่ได้ทิฏฐิวิสุทธ์นะแล้วดูรูปนามมันทำงานไปเรื่อยดูด้วยจิตที่ตั้งมั่นดูด้วยจิตที่เป็นกลางนะก็โดดขึ้นไปอยู่อันที่หกนะไม่ยากหรอกทำได้แล้วไม่ยากเหมือนก่อน มีคนมาถามหลวงพ่อมีพระมาถามนะว่าขั้นไหนยากนะโสดาสักทาคาอนาคาพระอราหันเนี่ยทำขั้นไหนยากกว่ากันพวกเราว่าขั้นไหนขั้นที่ยังทําไม่ได้ยาก <c oughs> ขั้นไหนทําได้เรากง่ายหมดเลย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> อย่างตอนเนี้ยเรายังไม่ได้โสดาโอะโสดายากจังเลยพอได้แล้วโสดาง่ายเนีย <c oughs> สักทาทําไมมันยากอย่างนี้วะ <c oughs> พอได้นะก็รู้สึกอนาคตนี่ยากยากโสดาสักตาขาง่ายอะไรที่ยังทําไม่ได้อ น, นั้นแหละยากไหนทําได้แล้วนั้นก็ง่ายไปหมดอนะ่ะตอนหัดขับรถนะยังขับไม่เป็นยากไหมขับขับเป็นไม่ยากละทุกสิ่งทุกอย่างนะั้นอยู่ที่ว่าเคยทํำไหมทําจนชํานี้ชํนานาญทําเป็นแล้วไม่ยากหรอกการปฏิบัติก็เหมือนกันนะแรกๆฟังแล้วโอ้ทําไมดูยุ่งยากเยะแยะไปหมดเลยจริงๆไม่ยากหรอก เราใจเย็นๆเราเดินมาเป็นลําดับรักษาศีลไว้ก่อนฝึกจิตให้อยู่กับเนื้อกับตัวอย่าใจลอยนะแล้วก็อย่าบังคับกายบังคับใจตึงเกินไปไม่ใจลอยถ้าใจลอยเนี่ยหย่อนเกินไปนะถ้าบังคับกายบังคับใจจ้องไม่ให้คลาดสายตาเลยใจก็แน่นๆขึ้นมาอันี้ตึงเกินไปเรารู้กายรู้ใจไปไม่หย่อนไปไม่ตึงไปถ้าหย่อนก็ลืมกายลืมใจถ้าตึงก็เพ่งกายเพ่งใจ รู้ไปสบายๆดูกายทำงานดูใจทำงานดูด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางนี่ฝึกไปมันจะยากอะไรนะใช้เวลาไม่นานนะเจ็ดวันเจ็เดือนเจ็ดปีถ้าสมัยพุทธกาลนี้เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจดปีนั่นได้พระอรหันต์นะหรืออย่างต่ำพระนาคาของเราเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ปีได้โสดาก็บุญแล้วล่ะอย่าลบมากเลยนี่พวกเราอย่าไปท้าถอยนะถ้าจับหลักได้แล้วก็ไม่ช้า ถ้าทำผิดหลักก็ช้าจับหลักให้แม่นรักษาศีลห้าไว้ฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะมีสติรู้กายรู้ใจดูมันแสดงดูกายมันแสดงละครให้ดูดูจิตใจแสดงละครให้ดนะูใจเราตั้งมั่นเป็นกลางเป็นแค่คนดูนะไม่ใช่ผู้กำกับไม่ใช่ผู้ประพันเขียนบทละคร จิตต้องอย่างนี้ถึงจะถูกอย่างนั้นไม่ถูกเนี่ยทำตัวเป็นนักประพันธ์นะหรือทําตัวเป็นนักวิจารณ์ไอ้นี่ไม่ควรเลยนะไม่ควรเนยนะคล่ําครวนไปถึงอดีตนะทำไมต้องไปโกรธเขาด้วยดูสินิสัยไม่ดีเมื่อวานไปโกรธเขาอุตส่าห์รักษาศีลโกรธแล้วไปด่าเขาหน้าเสียใจเหลือเกินเนี่ยวิทภาพวิจารณ์อยู่นั้นนะคล่ําครวนอยู่แค่นั้นนะไม่ได้ทําหน้าที่อย่างนี้นะเราทําหน้าที่เป็นคนดูดูกายเล่นละครดูใจเล่นละครดูมันเรื่อยไป ดูด้วยจิต ท, ที่ตั้งมั่นดูด้วยจิตที่เป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นเป็นยังไงไม่หลงไปดูสิ่งอื่นไม่หลงลืมกายลืมใจของตัวเองนะแล้วก็ไม่บังคับกายไม่บังคับใจแต่ดูกายดูใจมันเล่นละครอย่างที่มันจะเล่นให้เราดูไม่บังคับมันเลยนะเราดูอย่างนี้เรียกว่ามีจิตตั้งมั่นมีจิตเป็นกลางถ้าเรามีจิตตั้งมั่นมีจิตเป็นกลางดูกายแสดงละครดูจิตใจแสดงละครเรื่อยไปวันหนึ่งก็รู้ว่านี้มันของหลอกๆทั้งนั้นเวลาเราดูละครเรารู้ไหมว่าของหลอก ชีวิตนี้ของหลอกทั้งนั้นเลยขันห้ามันเล่นละครหลอกเราทั้งนั้นเลยเราไปคิดว่าของจริงนะเพราะเราไม่ทําตัวเป็นคนดูเราไปอินกับมันเวลานางอิจฉารัางแกนางเอกโกรธไหมดูละครโกรธเพราะเราอินใช่ไหมเรารู้สึกเราเนี่ยชีวิตเราเหมือนนางเอกนี้สงสารมันมากแล้วเราก็สวยพอๆกันแหละนะโอะ้ความดีเราก็เยอะแต่ถูกรังแกเนี่ย เราอินมากนะพอเราอินเราก็ถูกอารมณ์ครอบงำนะไม่เป็นกลางทําตัวเป็นคนดูที่ดีไม่ใช่เข้าไปอินกับมันไปแสดงกับมันนะดูกายมันแสดงละครดูใจมันแสดงละครดูสบายๆอย่าอินกับมันนะแค่นั้นแหละแล้วอย่าลืมดูถ้าลืมดูนี่หย่อนไปถ้าไปอินกับมันนะตึงเกินไปนะนั้นดูกายดูใจเนี่ยถ้าลืมกายลืมใจนี่ลืมหย่อนไปลืมดูละครลนะ ถ้าอินกับละครนะเข้าไปแทรกแซงเข้าไปยัางงน้นอย่างนี้นะเข็นตัวเองบีบจิตตัวเองเข้าไปด้วยอันนี้ตึงเกินไปนั้นดูสบายๆดูกายอย่างที่เขาเป็นดูใจอย่างที่เขาเป็นเขาเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะดูซ้ําแล้วซ้ําอีกนี่แหละเดินปัญญาไปเรื่อยถึงวันหนึ่งปัญญามันก็แจ้งนะธาตุขันทั้งหลายนี่ไม่มีตัวเราเลยเนี่ยล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้ด้วยญาณทัศนะเป็นพระโสดาบันถัดจากนั้นเจริญศีล ส, สมาธิปัญญาไปเรื่อยนะ ก็สุดท้ายจะล้างอาวิชชาล้างความเห็นผิดได้ขันทั้งหลายที่มาสดแสดงละครให้เราดูนี่เป็นแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยนะทุกข์เพรามันไม่เที่ยงดูละครละครเที่ยงไหมละครไม่เที่ยงนะละครนี่ทนอยู่ไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องเลิกเล่นลนะละครนี้เราบังคับไม่ได้เราจะสั่งนางอิจฉาห้ามอิจฉาห้ามมันได้ไหมในใจเรานางอิจฉาก็มีใช่ไหมเวลามันอิจฉาห้ามมันได้ไหมอไอ้ตัวนี้ผู้ร้ายอย่ากโกรธ ห้ามมันได้ไหมห้ามไม่ได้เพราะงั้นดูกายดูใจเล่นละครไปนะเป็นคนดูที่สบายไม่ตึงไปไม่หย่อนไปแค่นี้เองถึงวันหนึ่งก็จงแจ้งแจ้งแจ้งก็คืออย่าเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆเลยละครโงใหญ่นี้ในขันห้านี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆมีตัวละครทั้งหมดไม่มากหรอกละครตัวขันหานี้นะ มีตัวละครทั้งหมดเพียงเจ็ดสิบสองตัวเท่านั้นนะมีสภาวะธรรมอยู่เจ็ดสิบสองอย่างแต่ตัดนิพพานออกไปหนึ่งตอนไม่มีนะแล้เจ็ดสิบเอ็ดตัวเล่นกันอยู่อย่างงีนะ้อ้าเชิญไปทานข้าวไปดูนะไปไปเล่นละครบทกินข้าวไปดูร่างกายเล่นละครนะไปดูไปดูใจเล่นละคร อยากกินแทบตายเลยแล้วก็เชิญคุณไปตักก่อนมันตักของที่เราอยากกินไปกลายเป็นโมโ ห, โหไปแล้วนะ